การตามหมายว่าเป็นตัวเป็นตนซะถ้าท่านทำสามอย่างนี้อันแรกมีสติทุกเมื่อที่สองตามเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างเปล่านะอันที่สามถอนความสำคัญมั่นหมายความคิดเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนซะในสอันสิ่งที่หลวงพ่อมาเล่าให้พวกเราฟังทุกวันนี้ก็อย่างนี้แหละ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 พวกเราตอนนี้มีการแบ่งแยกภายในภายนอกอยู่เวลาเราภาวนาเราสึกมีข้างในมีข้างนอกนะอันนี้อยู่ในช่วงของทางผ่านคนซึ่งไม่เคยภาวนาเลยก็ไม่มีข้างในข้างนอกมีอันเดียวข้างในข้างนอกเป็นอันเดียวคือเป็นตัวเราหมดเลยเป็นถ้าไม่ใช่ตัวเราก็ของเราะถ้าไม่ใช่ของเราก็ของที่ไม่ใช่ของเราเนืมันหาเรามาใส่จนได้นะของคนอื่นแนละ้วก็ยังบอกของที่ไม่ใช่ของเราก็ได้นะ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 มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจอยู่ภายในนี่ของภายนอกอยู่ต่างหากเนฝึกไปเรื่อยๆยังเห็นอีกร่างกายก็ยังเป็นของนอกๆ อ, อีกละเวทนาก็เป็นของนอกๆกุศลกุศลทั้งหลายก็เป็นของนอกๆ อ, อยู่ข้างนอกอีกละมีชั้นนอกมีชั้นในภาวนาไปแล้วมีสองชั้นนะมีข้างนอกข้างในจะรู้สึกแตกต่างกับคนซึ่งภาวนาไม่เป็นคนภาวนาไม่เป็นมีหนึ่งมี1คือเรา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 เหมือนขยุ้มได้พระพุทธเจ้าบอกเหมือนขยุ้มได้นะได้มาก้อนหนึ่งเนี่ยขย่ำขย่ำไปไม่รู้เลยต้นปลายมันอยู่ที่ไหนนะยยุ่งเหยิงไปหมดเลย mm hmm. ไม่ต้องไปสาวนะกว้างมันทิ้งไปทั้งขดนั่นแหละ <c oughs> ไม่ต้องไปหาเงินต้นเงินปลายมันกว้างมันทิ้งไปถ้าเรารู้แล้วไล้สาระก็โยนทิ้งไปถ้าเห็นว่ามีสาระก็ยังยึดเอาไว้ <c oughs> ค่ครฝึกหน้าวันหนึ่ง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 พุทธเจ้านะเข้าใจสิ่งซึ่งเห็นอยู่ตาห น, า น, าน้าตาตาทุกวันนั่นแหละสิ่งที่เราเห็นอยู่ตาห น, น, น้าตาตาก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานี้แหละกายกับใจนีเข้าใจตัวนี้ตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีนะเห็นตัวเราไม่มีมันก็หมดความเห็นผิดว่ามีตัวเราเป็นพระโสดาบันก็มารู้กายรู้ใจไปอีกรู้กายรู้ใจไปอีก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 เป็นอสุรกายนะเจ้าทิฏฐิเจ้าทฤษฎีอสุรกายเนี่ยส่วนมากจะมีดีกรีนะระดับปริญญาโทป ร, ริญญาเอกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อสุรกายมีเจ้าทิฏฐิเจ้าทิฏฐิพวกนี้ก็ยึดแต่ความคิดความเห็นไม่เหมาะที่จะทำมิปัสสนา สัตว์นรกก็ทุกข์เกินไปไม่เหมาะที่จะทํามิพัสสนาเปรดนะก็กระหายต้องการมากไปทํามิพัสสนายากเทวดาก็สบายเกินไปทํำมิพัสสนายากนะขึ้นไปส่องกระจกดูอู้ฉันก็สวยนี่สวยมาแสนปีแล้วยังสวยอยู่เหมือนเดิมมีความสุขทุกวันเลย น, นี่ความสุขเที่ยงหรือพลมนะมีแต่ความสงบ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 ไม่เหมาะที่จะทํำวิปันสนาหรอกภูมิมนุษย์นี่เหมาะกับการทํำวิปันสนาที่สุดเพราะ ม, ะมนุษย์นี่สําสอนจิตใจเราเนี่ยกลับกรอกยอกย้อนใช่ไหมในหนึ่งนาทีเนี่ยใจเราเปลี่ยนไปทั้งหลายรอบลนะ้เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงในเี่ใจมนุษย์เนี่ยกลับกรอกตลอดเวลาของกลับกรอกนี่แหละเราเห็นความไม่เที่ยงง่ายมันเปลี่ยนแปลงง่าย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 ผู้ชายทุกวันนี้เหมือนดอกไม้ริมทางบางคนนะเห็นอย่างนี้สลดใจเลยหนีมาบวชนนะ่ะองค์สุดท้ายนั่นนะ่ะบอกว่าไม่ไหวล้วผู้ชายเหมือนดอกไม้ริมทางนะเนี่ยบางทีสาวจีบหนุ่มหนุ่มจีบสาวนะจีบกันตั้งนานนะพอได้มาแล้วก็งนนะั้นงั้นแหละต้องถามคนที่มีเมียแล้วแต่อย่าถามต่อหน้าเมียเขานะเอนะจะไม่ได้ความจริงนะนะเพราะว่าคนพูดความจริงตายได้เหมือนกันนะ